วันนี้มีโมหะหาแล้วมันมัวก็ดูดูโมหะมันไปมันก็หายบ้างแบบว่ามันมันเกิดดับเร็วเ้าะค่ะดีแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าเยอะว่านี้เมค่ะเช้าตอเดินจงกรมน่าใจมันขลับเนาะใ่่มันไปเรื่อยๆเพ่งด้วยแล้วก็อ่เพง่งที่มันผักลน่อเนียเราเดินเดินสบายๆใจเราสบายบาย มันเผลอเจ้าค่ะบางทีมันพอมันเผลอแล้วมันก็ไปบางทีก็รู้พอมีสติขึ้นมาแป๊บหนึ่งมันก็เผลออีกหรือหลายครั้งหลังที่มานี่หลวงพ่อทักก็จะค่อนข้างนิ่งผิดปกติก็เลยพยายามไม่ปฏิบัติปล่อยปล่อยไปกับโลกนะฮะปล่อยให้หลายกับโลกกับปล่อยอะไรเนี่ยปล่อยปล่อยกายปล่อยใจฮะ ลอยไปไหนลอยไปหลงกับกิเลสนะครับเฮ้ไม่ได้ปล่อยไปลงกับกิเลส น, นะครับดในหลวงพ่นนงอฟังเมื่อก็ได้ยินปล่อยตามกิเลสไปเลยอ่าคือพยายามไม่ดูอ่ะฮะกลัวว่าจะประคองไว้อ๋อครับรู้จักสระคองยังรู้จักครับดูดูออกแล้วใช่ไหมที่เมื่อก่อนประคองครับแต่เป็นนี้ท่านก็ดูกายดูใจนะ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 ครับเนี่ยนังไงโหจริงๆโอ้ยเขคล้ายๆชมพู่ค่หลวงพ่อรู้สึกว่าหมู่นี้จิตจะแบบว่าพุ่งไปตีกับคนอื่นเนี้ยค่ะเหมือนว่า ม, มันมันดิ้นออกไปแบบแรงมากเลยเนี้ยค่ะแต่ว่าจะถามหลวงพ่ อ, อย่างนึงนะคะ ร, รู้สึกหมู่นี้โอ้จะมีความรู้สึกว่าเอ่อมันจะเป็นเฉพาะช่วงที่เหมือนโออยู่ สบายๆคนเดยวอย่างเวลาทานข้าวหรืออย่างเวลาที่เราอยู่แบบไม่ได้ไม่ได้ไปรับผัสมากๆค่ะหลวงพอมันจะมีความรู้สึกว่ามันไปอยู่ตรงกลางมันโออยู่ตรงกลางแต่แต่โอ๋อยังรับรู้ข้างนอกก็อยากรับรู้แต่ว่าเหมือนกับว่าข้างนอกเนี่ยยัง ม, มีน้ําหนักน้อยกว่าสิ่งที่โอเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าโอ๋ไม่ได้ดิ้นที่จะออกมานะคะเพียงแต่ว่ามันจะสงสัยบ่อยว่า มันถูกหรือผิดเราเข้าไปลงไปในช่องไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรา<ง>อย่าไปประคองไว้ก็แล้วกันอย่าไปแกล้งทํำใจให้เบาๆมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นย่งเราฝึกไปเรื่อยคนทั่วๆไปนะภาวนาไปช่วงหนึ่งมันจะเห็นในโลกข้างนอกยุ่งข้างในนิ่งๆมันมีความนิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายม่มีความนิ่งความสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายข้างนอกวุ่นวายข้างในนิ่งๆอันนี่ก็ยังไม่ผิดอะไร แต่ถ้ายินดีพอใจในความนิ่งตัวนี้ตัวนี้สรานละ่ะเนั้นใจของเราก็จะนิ่งสบายเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างสบายๆไม่เป็นปัญหาอะไรเพรน้นดูที่ใจเราใจเราชอบตรงนี้เมื่อไหร่เราก็ผิดเมืนั้นะ<อ>ถ้าชอบนะจะถอดถอยล้วหนี้ห<อ>นีเข้ามาอยู่ข้างในแต่ของโอยังไม่หนีเท่าของเอ๋นะเอหนีเยอะแต่ว่าชมพูก็ยังหนีเยอะกว่าโอ้ อย่างนี้โอ๋โก็ก็แค่ถ้ามันเป็นโอ๋โก็รู้ไปด้วยแค่รู้รไปนะมันเท่าเทียมกันกับสภาวะอย่างอื่นภาวนาแล้วมันจะมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่สงบสะอาดอยู่งนะั้นสบายเงียบๆอยู่คนเดียวสบายใจมันเป็นผู้รู้ขึ้นมามันไม่ได้หลงเข้าไปคลุกการม้คลุกการมมันก็ทุกขึ้นมาถ้ามันไม่คลุกเนี่ย สบายอย่างนี้ส่วนมากพนานไปแล้วพอใจพอใจตัวนี้เริ่มมีปัญหาแล้วจะติดต่อไปวันไหนหลุดจากตรงนี้นั่นก็จะโมโหแล้วง้ก็ไม่หนีรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องแก้วันนี้ก็มีโมหะบ้างแต่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่มาค่ะสิกสบายขึ้นแเบอร์หกอ่ะเบอร์หกอ่ะ เมขเบอร์เก้าเบอรอเก้าทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี้เออตับตัวเมื่อหนึ่งเมื่อกี้ทําอะไรไปดูเข้าเลึกตัวเองเนื้อออกไหมเนี่ยฝึกเปอย่างนี้นะฝึกดูจากของจริงๆริจิตใจเราชับทํางานเป็นขณะดขนาดเช็คเคนแม้ตะกี้เผลอไม่ได้เพ่งตอนนี้เพ่งละนีสิ่งที่ผิดมีสองอันนะเผลอไปเหมลอไ ป, ไปกับเพ่งเอาไว้มีสองอันถ้าไม่เผลอไม่เพ่งใจก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมารู้สบายสบาย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 เข้าใจคำว่าธรรมดาแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ธรรมดาไมธรรมดานะยังนิ่งเกินจริงนิดนึ่งยังมีเกินจริงตลอดอยังนิ่งเกินจริงนิดหนึ่งใช่รู้ไปนักปฏิบัติเต็มเยอะโรคเนี้ยแต่ได้อย่างนี้ก็ดีแล้วได้อย่างนี้ยังเห็นใจรักแต่ใจยังไม่เต็มที่รู้ไม่เต็มที่เกินจริงอภัยคุณเองก็วันนี้มีประคองนิดนิดเพราะว่าเหนื่อยอะค่ะแต่ก็รู้สึกไม่เดือดร้อนกับมันเท่าไหร่ดีเลย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 นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะคือนักเพ่งเพ่งลูกเดียวเลยอ้าวท่านรองเชิญเชิญนั่งก้อยีก็ได้นะเชินนั่งก้อยีเลยก็ได้เอาลุงน้องเชิญโอ้ไม่เจอกันนานเป็นสิบปีใจลอยทราบไหมทราบทราบดีนะที่ฝึกอยู่ใช่ได้ดีแล้ว คือถ้าไม่ผิดไปสองงานไม่เผลอไปกับไม่เพ่งไว้ก็ถูกแล้วล่ะทําไมต้องไม่เผลอไม่เพ่งถ้าเผลอไปมันไม่รู้กายรู้ใจถ้าเพ่งไว้รู้กายรู้ใจแต่กายกับใจนิ่งผิดความจริงนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดคือนักเพ่งนะก่อนจะเพ่งเนี่ยมันเริ่มกอยากปฏิบัติแต่อยากปฏิบัติก็เที่ยวไปควานหามันว่าจะดูอะไรดีกอคานหาพอไปเจอแนละ้วก็ไปกําหนดเอาไว้ไปประคองไว้ให้จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นอันเดียว เช่นเราดูท้องฟองยุคเนี่ยเราประคองให้จิตจอดอยู่ที่ท้องอันเดียวรู้ลมหายใจประคองให้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจอันเดียวมันก็เกิดการเท่งขึ้ในสุดจิตก็ติดอยู่ตรงนี้เลยอาจจะเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไตร ล, ลักษณ์นะแต่จะไม่เห็นว่าจิตเป็นไตร ล, ลักษณ์จิตจะนิ่งเพราะงั้นจะละสักยัตทิฏฐิไม่ได้จริงๆยิ่งบางคนเรียนกันแบบผิดเลยอ่ะเช่นตามองเห็นก็กาหนดไว้ไม่ให้เกิดเวทนา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 งั้นอย่างถ้าเราภาวนาแล้วตั้งเป้าจะดับเวทนานี่ยก็ไม่ใช่ผิดเลยนะผิดผิดตำราเลยผิดปริยัติด้วยผิดในการปฏิบัติด้วยเพราะจริงๆเวทนามีอยู่ตลอดงั้นเรารู้กายเรารู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงของเขาไม่ใช่เพื่อแท็กแสงเขาไม่ใช่เพื่อดับเวทนาไม่ใช่ดับปัญหาอุปาทานภบชาติทุกข์แต่รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจจนเห็นความจริงของเขาก็าไม่ใช่ตัวเรา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 แต่ยังยึดถืออยู่ค่อฝึกกันไปเรื่อยจนมันหมดความยึดถือนะแล้วมันจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยยืนเดิน น, นั่งนอนกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นมันมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมันอศัศจรรย์ที่สุดเลยใจของเรามีความทุกข์ตลอดดูออกอยังทุกครั้งที่ทํางานขึ้นมามีความทุกข์นักใจเราทํางานทั้งวันทั้งคืนดูออกอยังตรงนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยถ้าเป็นคนนะตายไปละ ทำงานยิ่งกว่าทาสอีกนะทั้งวันทั้งคืนคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาตายไปล้วใจหนีไปคิดทราบไหมหนีไปคิดรู้ว่าคิดเพ่งไว้แล้วทราบไหมดูตรงนี้นะให้รู้ทันเรื่อยรู้ลงปัจจุบันไปดีละใช่ได้มันที่ไหน่อยมาทาง น, านี้แถวกระโดดข้ามข้ามอเมื่อกี้ยังมาไม่ครบกันแถวเลยโบส่งกันบ้านยังส่งกันบ้าง ันนี้กลัวแล้วรู้สึกไหมกลัวรู้ว่ากลัวจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเลยก็เออช่วงนี้จะอื่นอ่านนะคะหลวงพ่อบอกว่าให้พยายามเดินหนูก็เดินคือบางทีมันก็รู้สึกสบายคือต้องพยายามทำให้มันสบายไปดูต้นไม้ดูใบหญ้าเล่นอย่างนั้นแหละคือการภาวนานะไม่ใช่การปลีกตัวเองออกจากโลกนะการภาวนาเนี่เราอยู่โลกนี่แหละเราดูโลกไปด้วยพระเจ้าอย่างเคยสอนต้าเลยนะในภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลก อันวิจิตงดงามดุดราชนลดทรงของพระราชาะที่คนเขลาพากันติดอยู่แต่ผู้รู้ไม่ติดอยู่ถ้าไม่ได้สอนนะพิสูจทั้งหลายอย่าดูนะพิสูจทั้งหลายอย่าฟังนะพิสูจทั้งหลายหนีโลกไปเถิดไม่เคยสอนนะงั้นการภาวนาจริงๆอยู่กับโลกนี่แหละโลกคืออะไรโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่โลกคือรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพธาธรรมารมณ์นี่อยู่กับโลกตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจคิด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 ลูกศิษหลวงพ่อนะเห็นกิเลสเยอะนะซึ่งรู้สึกว่าโอ้ยทำไมเราถึงแบบร้ายกว่าที่หนึ่งทําไมกิเลสมันถึงมีอํานาจมากขนาดนี้เราดีีท่เึนคนนะทั้งโลกนะถูกกิเลสปั่นหัวอยู่ไม่เคยเห็นเลยกระทั่งไปภาวนานละ้วก็ภาวนาเพราะกิเลสสอนภาวนาก็พยายามกําหนดพยายามบังคับตัวเองไปเรื่อยเลยพอบังคับได้ภูมิใจนะชันเก่งฉันเก่งนะตอนนี้นแต่ถ้าภาวนาเป็นจะรู้สึกเลยไม่เก่งเลย สุกิเลสต้อนทั้งวันหนูสูส้วัตถุต้อนไปต้อนมาแล้วแล้วพอไปไปมามาหนูแกไม่ว่าหนูทําอะไรไม่เป็นเลยหนูต้องมานั่งฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็มานั่งนับหนึ่งใหมวว่จริงๆทาอะไรไม่เป็นหรอกเพราอะไรเพราะเราทําอะไรไม่ได้ทหารถ้าทําได้นะเป็นอัตตาไม่ใช่นักตาธรรมะได้แสดงตัวให้เราเห็นแล้วเราบังคับอะไรไม่ได้สักนันเดียวกายนี้เราก<ะ>็บังคับไม่ได้เวทนาเราก็บังคับไม่ได้จิตเราก็บังคับไม่ได้เห็นไหมความจริงอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงที่ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราบังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นตรงนี้ถ้าใจยอมรับตรงนี้ใจจะเข้าถึงธรรมใจจะเข้าถึงธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงนั่นเองใจมันยอมรับความจริงอยากพูดทราบไหมทราบค่ ะ, ะใจอยากพูดความอยากมันดันขึ้นกลางอกเราก็ดูไปสังเกตไมมมันเกิดแล้วมันก็ดับค่ะสังเกตไมมความอยากไม่ใช่ตัวเรายังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ไปดูเรื่อยๆสิเดี๋ยวก็ชัด ดูไปเรื่อยแล้วเจะเนี่ยใหญ่แล้วเห็นไหเ <พอ S 2> วลาปวามยากพูดมันดันคนนี้มันช่างพูดนะ <S <S อ้าพูดไปให้พูด <S <S นิดเดียวค่ะคือหนูคือช่วงนี้หนูอึดอัดมากๆไม่ไม่ก็แครมแบบตรงทีก็แบบไม่ปฏิบัติเลยค่ะลอยๆไปเลยแต่ก็มันก็ยังอึดอัดอยู่ตลอดอยู่ล้ไม่ใช่มันมันแกล้งไม่ปฏิบัติจริงๆมันยังปฏิบัติอยู่การปฏิบัตินะคำว่าปฏิบัติเนี่ยเหมือนผีหลอกหลอนเรา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 จะไม่ให้สุขไม่ให้ทุกข์จะให้เฉยเฉยอกุศลเกิดหาทางลา่กุศลเกิดหาทางรักษานี่แทรกแซงทั้งสิ้นเราต้องการให้เห็นว่าทุกอย่างนไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เพื่อจะบังคับเพื่อจะเอาให้ได้การปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติเพื่อจะเอานะยากนะแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ยากเท่าไหร่หรอกดบูบ่อยๆก็เห็นเองเลนี่ส่วนใหญ่ชอบบังคับชอบกําหนดชอบเพ่ง กำหนดไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะดีคาดหวังว่าวันหนึ่งจะดีจริงๆนีแหลหวังอยากได้อยากได้ที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะเพราะอะไรอยากดีอยากสุขอยากสงบถามว่ามีใครอยากรู้ความจริงไหมไม่มีแต่ภาวนาเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบพยายามแทรกแต่งพยายามควบคุมพยายามบังคับหลงไปคิดทราบไหมจิตหลงไปจิตไหลไ ป, ล ไ, ปไม่ค่อยทันเท่าไหร่ค่ะไม่ต้องทัน แต่หลวงพ่อบอกเรารู้ไหมไห่บอกบอกเรารู้เองใช้ได้ถ้าบอกแล้วก็บอกไม่หลงเลยนะอาการหนักนะหนักสงตับไปค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้เห็นกิเลสเยอะขึ้นนะคะแต่รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็ทำอะไรเนี่ยรู้เลยว่าเป็นกิเลสนำตลอดเลยค่ะ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 แล้วก็พอมันรู้ความจริงว่ากายนี้เป็นก้อนทุกข์แท้ๆมันจะเลิกรักช่วงนี้นะคะถ้าสมมติว่าไปอินกับสังคมคือไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยใจมันไม่เอาเลยค่ะ อ, อยากนะคะแต่พอให้ร้องเนี่ยมันไม่ย้องอไปเที่ยวกับเพื่อนก็รู้สึกว่าไม่สนุกเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะคะอ่ะเมื่อก่อนมันสนุกเพราะเราหลงโลกแตอนนี้พะเรารู้ทันโลกไม่เห็นหน่าสนุกเลยน่าสังเวชนะน้อค่ะดีน่าสงสาคนเสื้อแดง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 แค่นี้ก็เป็นได้ละไม่ยากอะไรทำใจสบายผ่อนคลายปั๊บเป็นเลยมันมันเป็นง่ายมันเข้าง่ายง่ายง่ายเพราะเรารมีวัตสีแล้วะสมฌานอะไรเนี่ยเรื่องง่ายง่ายนะมีอันหนึ่งครับซึ่งซึ่งผมทำผิดแล้วเพิ่งจะรู้ตอนแรกคิดว่ามันเป็นอันตโนมัติคือเราเจอเรื่องที่มันไม่ชอบ หรือว่าภาพที่มันไม่ชอบหรือว่าภาพที่เรากลัวยังเราสแกนไปแถวนี้นะครับเาเจอปุ๊บมันมันหยุดเบรกอัตโนมัติเราเราตัดสินเร็วมากเลยว่าอันนี้ชอบไม่ชอบนี้กลัวไม่กลัวปุ๊บแล้วมันหยุดหยุดแล้วมันกลับมาเราจะเป็นแบบนี้บ่อยๆจนคิดว่ามันมันดีนะอัตโนมัติแต่ทําไปทํามามันจะมันจะบล็อกตัวเองไว้รับไม่ดีไม่ดี ตอนหลังๆก็ให้รู้อย่างที่เขาเป็นถ้าเขาบล็อกเขาบล็อกของเขาเองไม่เป็นไรถ้าเขาบล็อกของเขาเองเราก็เห็นความจริงจิตไม่ใช่เราหรอกมันบล็อกได้ เ, เองอมันไม่มันเหมือนตัวโนโตนอมน็อตแบบพอเราเออเหมือนกับเิอบอกในใจบอกตั้งหลักตั้งตั้งหลักสู้ใช่ครับ<ม>เพราะมันจะเป็นบ่อยๆตอนนั้นเราก็คิดว่ามันดีเป่นอตโนมัติตอนหลังแล้วเราเราก็คิดว่าน่าจะปล่อยให้มันทํางานต่อ ตอนนั้นครับน่าส่งมาข้างหน้าก่อนอยากเรียนถามท่านลูกสาวเด็กเๆอยู่ที่กรุงเทพอยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่จะมีวิธีไหนจ้าค่ะอ๋อต้องมาเรียนก่อนนะหลวงพ้อมีเงื่อนไขค่ะมันมาเรียนอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามาเรียนอย่างนี้มาได้เลยหรือว่าจะมาอยู่ที่นี่จะมาอยู่ที่นี่อ๋ออยู่ที่นี่ออนต้องภาวนานให้เป็นก่อ ภาวนาให้เป็นให้จิตมันตื่นกันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันอคแล้วก็มาเข้าคิวนะแต่คิวยาวนะหลวงพ่อเปิดเดือนหนึ่งหรยี่สิบาัเนี้เต็มไปครึ่งปีออืมตอนนี้หยุดยังไม่ได้เปิดรับแล้วเต็มไปถึงมิถุนาและทราบทราบว่าถึงเดือนมิถุนาต่อไปกรกฎาคนี่เราจะจองไว้ก่อนได้ไหมก็ต้องจองมิถุนานะนาจองเดือนมิถุนา แต่เจ้า ต, ตัวต้องมาจองนะพระหลวงพ่อต้องดูก่อนค่ะหลวงพ่อไม่ได้รับทุกคนออกรับทุกคนนะวัดไม่พออยู่ค่ะหลวงพ่อรับได้ครั้งหนึ่งสามคนเนี่ยสามคนเอานี้ไปนั่งโน่นละเนี่ยโยมสังเกตไหมพวกนี้ยดูฝ่องใสแต่ละคนคหน่หนุ่มๆสามคนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ถึงจะมาอยู่ที่นี่อย่า ง, อ ย, างอย่างนี่ฉนี่มาสมัครได้เหมัน้ะฮะ ต้องเรียนก่อนนะต้องเรียนก่นเรียนปฏิบัดเรียนที่ไหนคะเนี่ยมานั่งฟังโอ้มันนั่งฟังจิตเราเตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงค่ะเขาอยู่กรุงเทพเขาไม่มาไม่ได้ให้เข้าเอาซีดีไปฟังค่ ะ, ะเดี๋ยวับแจกให้มีหนังสือมีซีดีแล้วมาที่นี่มาหาท่านอ่แล้วก็มาส่งกันบ้านนะค่ะสอบได้แล้วก็มาเข้าคิวไว้ค่ะแม้เข้ายากนะไม่ใช่รับง่ายๆถ้ารับมามากๆากแล้วก็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 ก็ถามดังจริงสิน้องเราเองอยู่ไกลค่ะไม่ค่อยได้ถามพอเหรอค่ะคือจิตจะภาคนะห้ามมันไม่ได้แต่อย่าไปช่วยมันภาคยกตัวอย่างอย่างพอใจเราเผลอไปจิตมันบอกว่าอุ้ยเผลอไปล่ะอย่างนี้ไม่เป็นไรจิตมันภาคเองแต่หลังจากนั้นเราจะเริ่มภาคแล้วโอ้เผลอนี่ไม่ดีเลยนะทำยังไงจะไม่เผลออีกนะตัวนี้เราหางมีปัญหา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 ก็ก็มีค่ะอใครรู้เรื่อยๆนะรู้บ่อยๆเวลาใจเราแอบไปคิดค่ะบางทีก็จะแบบเหมือนกับว่าตัวเราสั่นไปอย่างเงี้ยค่ะนั่งอยู่บ้านแบบเหมือนกับผููบผูๆอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปนั่งอย่างเงี้ยนะออกมาทํางานขัดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยมาทํางานไปค่ะขัดบ้านไปแล้วก็ลาคาญคนอื่นมาทําบ้านรกอะไรเงี้ยรู้ว่าําคานฝึกอย่างนี้นะอย่าไปนั่งนะค่ะของคุณนั่งไม่ดีหรอกเดี๋ยวเห็นโน้นเห็นนี้ อและจิตอย่างนี้ไม่ได้นะที่หลวงพ่อบอกมันชอบเพ่งเดี๋ยวก็จะได้ยินโน่นเดี๋ยวก็จะเห็นนี่ยุ่งเพ่งไปใช่ไหมเพ่งไปค่ะเรู้สึกไหมตรงที่พี่ยั้งหน้าเผลอไปค่ะใจไหลแวบไปรู้ค่ะอดีรู้แล้วก็คือจะหยุดอ้ะค่ะอย่าหยุดสิผิดตรงนี้แหละอ้อเหรอคะอมันไหลเรารู้ว่าไหลไม่ใช่ไปดึงเอาไว้ค่ก็ต้องไม่ไปเสื้อแดงเนี้ยใจไหลไปแล้วดึง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 มีเพ่งแล้วก็กระคองค่ะเออตับตูกไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะเลิกพอมาถึงวันแล้วมันกลัวมันก็เลยแบบไม่แต่งหนะาเมื่อเข้าปุ๊บก็เป็นเลยค่ะแต่โรคนี้โรคประจวัดหลวงพ่อมองใครนะตัวแข็งหมดเลยอ้าวสารสงสังเกตไหมตอนส่งไม่ฮะเบอเจ็ดสิบสองลืมตัวไปแล้ว วันนี้ใจไม่ค่อยมีกําลังครับพอแล้วก็ฟุ้งซ่านนะวันนี้ดีตรงที่ไม่ได้ข่มไว้ครับวันนี้ดีนะไม่ใช่วันนี้ไม่ดีใจฟุ้งซ่านรู้สึกว่ามันใสอยู่แต่ว่าเห็นว่ามันฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละ ฟ, รรฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านดีฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่ฟาฟุ้งซ่านแล้วไม่ได้อยากให้หายไม่ได้ไปข่มไว้นี่ตรงนี้สถานที่ดนะีแต่ถ้าฟุ้งซ่านแล้วไม่อยากฟุ้งซ่านหรือข่มไว้ไม่ดี ฟงซ่านแล้วไม่รู้ว่าฟงซ่านใช้ไม่ได้เลยมีหลายเกรดนะฟงเราไม่รู้ว่าฟงนี่ไม่ได้เรื่องเลยฟงเรารู้ว่าฟงแต่บังคับไว้ก็ดีนิดหน่อยฟงเรารู้ว่าฟงแล้วไม่บังคับเป็นกลางดีแต่ตอนนี้บังคับแล้วใช่เล้วครับผมไปละห <c oughs> ลวงพ่อมองนานแล้วผมหลวงพ่อมองมานานคือคือม <c oughs> าแ ที่นั่งอยู่ตะกี้ใช้ได้ใช้ได้ยาวเลยวันนี้ภาวนาดีจิตใจใสสว่างรู้สึกไหมรู้สึกครับเออจิตใจสว่างสวยดีเอาละพอเดี๋ยวแข็งไปส่งไปข้างหลังไปข้างหลังในจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกไหมครับดีแล้วล่ะแต่ไปดูเรื่อยๆนะกิเลสเกิดมาอะกี่หวนดูออกเพียงก็มันก็ดูได้บางช่วงครับบางช่วงก็ ลองลองทดสอบนะทดสอบตัวเองจับเวลาห้านาทีห้านาทีเนี่เราใจลอยกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งนะสองครั้งละงงนะรู้สึกไหมรู้สึกครับเนี่ยดูลงไปเนี่ยใจลอยแล้วสามครั้งแล้วเนี่ยสี่ครั้งแล้วพอจะตามทันไหมใจมันไหลปับป๊บว<า>ับทันทันนะทั้งนี้ทีทั้งนี้ทีทั้งนี้ทีนะหมุนหมนอย่างนี้งง เราไปดูนะว่าห้านาทีเผลอกี่ครั้งให้กันบ้างไม่ได้ให้ทำเยอะนะให้ทำห้านาทีเองถ้าให้ทำเยอะวันนั้นจะเครียดเหีือวโรคประสาทกิจเพราะจะรู้เลยว่าใจเราไม่เคยอยู่กันเนื้อกับตัวใจเราหนีทั้งวันทั้งคืนเลยนะใจเราแอบทำงานตลอดเลยใจจะปรุงแตกตลอดงั้นเราซ้อมวันละห้านาทีนะซ้อมแล้วเวลาที่เหลือเราก็คอยดูาดูใจของเรา สุข ก, ก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้เป็นธรรมดาแต่แบ่งเวลาไว้ช่วงสักห้านาทีมาคอยดูนักบุญสการครับใจเต้นหลือเกินต้องเต้นนะอย่าหยุดเต้นเต้นเท่าไหผมเต้นเร็วมากเลยครับไม่ต้องไปออกกำลังกายครับก็เมื่อกี้จิตมันอยากถามว่าหลวงพ่อทราบยั้ไงครับไ่าคนนั้นหน้าเดี๋ยลวงพ่อนคนนั้นหลง หงพ่อก็เดาเอาเดาเอาแม้คนเป็นครูเนี่ยนะเป็นครูหลายๆปีเนี่ยเห็นหน้าเด็กนะรู้นะเด็กคนนี้สนไม่สนดื้อไม่ดื้อไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรหรอกตอนนี้ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมอ ย, อยากพูดรู้สึกไหมไม่รู้เลยครับเลยต้องหัดนะต้องหัดีอยากพูดละรู้สึกไหมมันจะมีแรงสั่งในหน้าอกเราเนี่ย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 ดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆไม่นานก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเราเรียนธรรมะนะเราเรียนเรื่องตัวเราเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเราเองรู้ไปเรื่อยๆหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับครับหันอย่างนี้นะเมื่อกี้แบบหนีมามาดูว่าใจมันเต้นช้าลงนะครับเออก็ดูไปนะตื่นเต้นลดลงแล้วความตื่นเต้นก็ไม่เที่ยงูดยงี้เริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหม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 ให้รู้ทันนะตัวนี้เป็นกิเลสชนิดหนึง่งชื่อนันทิราคะนันทิราคะความเผลอเผลออย่างตะกี้นี่นะจำได้ไหมจําได้เจ้าค่ะนั่นแหละเป็นกิเลส ช, ชื่อนันทิราคะจําไว้นะต่อไปพอใจมันเป็นอย่า ง, งนัอีกก็รู้ทันมันเดี๋ยวมันรู้ทันได้เองอ่ะวันนี้กลับมาวันนี้ค่ะ <c oughs> น้ำส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ตื่นเต้น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 เหลือไปตามกิเลสไปนะเรียกว่าความสุขคาลิการุโยคเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอาภุญญาพิสังขารบังคับตัวเองไว้เรื่องอัตตากิลมัทฐานุโยกบังคับตัวเองเรียกว่าปุญญาพิสังขานความปรุงแต่งฝ่ายดีแต่จะปรุงดีปรุงชั่วก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกแบบคนดีทุกแบบผลชั่วจิตตานนิสซึนไปแล้วรู้สึกไหมหลงไปคิดหลงไปคิดให้รู้ทัน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 ใจนี้ไปคิดแล้วทราบไหมไหลแวบบแวบบแวบบดวกุกไหมอ่ะต่อไปต่อไปอาหนุ่มที่นั่งใส่แว่นจิตเป็นยังไงออใจลอยตับถูกใช้ได้ได้หนึ่งคะแนนอ่ะโยมกับนรรการครับเพราะเผล อ, อเผล อ, อบ่อยครับเกือบเกือบทั้งวันแต่บางทีบางทีก็รู้แล้วก็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 พยายามระลึกรู้กายรู้ใจแต่ก็ไม่เห็นสักทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่ายัางจงใจปฏิบัติอยู่ยังบังคับตัวเองอยู่ท่านรู้สึกไหมท่านบังคับยังบังคับตัวเองอยังขนาดนี้มันนิ่งผิดความจริงเรือบไหมจิตมันถูกกดให้นิ่งผิดความจริงอยู่นินดจิตมันจิต<ข>ไหลไปคิดแล้วทราบไหม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 แล้วมันก็เดินไปเดินมาได้แต่ถ้าอะไรจิตของเราหลุดไปอยู่ในโลกของความคิดหรือจิตของเราไปเพ่งไปจงใจปฏิบัติไปเราจะไม่สามารถเห็นกาเห็นใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราเอี่ตอนนี้จิตจิตทําอะไรท่านทราบไหมจิตถลําลงไปดูออกไหมก็รู้สึกว่าพยายามอย่ารู้กายมุจฉะนั่นะน่นแะตรงนั้นแหละคือปัญหาอย่าพยายาม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 เห็นไหมจิตรู้ว่ารมได้คลั่งได้อย่างเดียวพอไปรู้เรื่องที่ฟังไปรู้เรื่องที่คิดก็หลืดกายหลืดใจะแต่ว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ฟังให้รู้เรื่องอะ่ะเราฟังเนี่ยเพื่อจะหัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยอย่างนั่งนั่งตรงนี้ยไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้นะไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้แต่กายของเราเป็นยังไงเราคอยรู้สึกใจเราเป็นไงคอยรู้สึกอย่างฟังซีดีหลวงพ่อก็เหมือนกันนะไม่ได้ฟังเอาเรื่องนะไม่ใช่ฟังเอาเรื่องไม่ได้อ่านเอาเรื่อง ฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจของเราไปเรื่อยหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนเท่านั้นเองไม่ให้หลับพูดเป็นเพื่อนไม่ให้หลับพูดไปแล้วหลับคอยดูกายคอยดูใจของเราไปเราไปจงใจปฏิบัติเราก็รู้เราใจลอยไปเราก็รู้จิตใจเป็นยังไงเราไปรู้ไปเรื่อยพอเรารู้ได้ต่อไปเนี่ยกายกับใจจะเป็นครูสอนธรรมะเรานะหลวงพ่อสอนธรรมะใครไม่ได้นะธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแท้ๆเลยต้องรู้ด้วยตัวเอง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 อย่างนี้คืออะไรครับผมใช้ได้นะเราค่อยดูไปร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายเป็นนอนนะเราค่อยรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นเลยตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่นอนเนี่ยเป็นของที่ถูกรู้ใจของเราอยู่ต่างหากนะใจเราเป็นคนไปรู้มันเข้างั้นหัดหัดดูอย่างที่โยมบ้านเนี่ยใช้ได้เห็นไอ้ส่วนนี้น<ๆ>แล้วก็นั่งโยกโยกนี้ด้วยนะเห็นอย่างนี้แล้วบ่อยนะดีๆแต่ก็ไม่ทราบว่ามันคือ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 แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ทราบว่าคำว่าผู้รู้แปลว่าอะไรผู้ตื่นผู้รู้อะไรผู้รู้ตรง้ามนะตรงข้ามกับผู้คิดผู้ตื่นก็ตรงข้ามกับผู้หลับผู้หลงอาการที่ปรากฏครับอะไรนะหมายถึงอ่ะกะผมอยากทราบว่าอาการที่มันปรากฏตัวอย่างเวลายกเคยเจอมอย่างเวลาเราใจลอยไปตรงที่สติระลึกได้ว่า เมื่อกี้ใจลอยไปแล้วนะมันจะมีภาวะแห่งความรู้เกิดขึ้นสั้นๆนิดเดียวอันนี้เข้าใจครับเนั้อแหละคือภาวะแห่งการรู้คืออันนั้นคือรู้ตัวใช่ใช่แล้วผู้เบิกบานหรครับผู้เบิกบานเนี่ยถ้าเราพอเรารู้ไปเรื่อยนะจิตมันอยู่ๆเฉยๆเนี่ยแค่มีสตินะจิตจะเบิกบานขึ้นมาเองวับเดียวใช่ไหมครับใช่มันไม่นานนะครับไม่นานวับหนึ่งวับหนึ่งใช่ใช่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยถ้าอย่างนั้นเข้าใจแล้วครับขอบพระคุณครับ ท่ารอไว้คุยทีหลังก็ได้รีบไปไหนหรือเปล่าช่ช่ส่งข้างใครจะคุยไม้มมีไหมโอ้ส่งผ่านเร็วๆหลวงพ่อชอบมากเลยนี่หกพัร้อยแล้วคืออยากจะทราบว่าที่พายอาจารย์บอกว่าตัวเราไ ม, ไม่ไม่มีตัวตนนะคะหมายความว่ายังไงคะเราอย่าไปคิดเรื่องนั้นเลย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 เนี่ยไปแล้วสามครั้งแล้วถูกไหมสงสัยแล้วรู้ไหมรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยหนีอีกแล้วรู้สึกไหมเราไปนับนะห้านาทีได้เป็นร้อยเลย <c oughs> ถึงบอกให้ทำห้านาทีนั่นนะไม่ต้องมากทํามากเครียดขออนุโมทนารครับโยมนั่งตามสบายเลยนะนั่งป<ช>ัดสมาธิก็ได้นั่งกางอีกก็ได้แ่ผมให้ ข, ขอเรียนถามว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับ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 อีกอย่างนะที่ผมอ่านตารานะครับท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านพอสําเร็จแล้วท่านบอกว่าท่านจะไม่สอนชาวโลกหรอกเพราะว่าสิ่งที่ท่านทราบเนี่ยมันมันลึกซึ้งเหลือเกินคราวี้ดือดร้อนถึงพระสหัมบดีพรมต้องลงมาขอร้องให้ท่านสั่งปลดศักด์นะครับอันนี้จริงหรือเปล่าครับผมโอ้โหลวงพ่อเกิดไม่ทัน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 ครับผมรอดตายรอดบ้ามันได้โอ้มันน่ากลัวคือในคำพีเราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้านะนั่งลงไปแล้วนั่งบนรัตนะบัณหลังเรียกรัตนะบัณหลังหมายถึงว่าจะนั่งสู้ตายตรงนี้ไม่ถอยละพอจิตตั้งมั่นลงไปว่าสู้ตายไม่ถอยแลกกิเลสจะมาเป็นกองทัพเลยมานจะเริ่มผจน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 ใจบางทีก็เกิดความท้อแท้นะโอ้สดจดหมดสติหมดปัญญาแล้วไม่มีทางสู้แล้วนี่เรียกว่ากิเลสมานมันบั่นทอนนะจิตใจท้อแท้สุดขีดตัวจิตเองนะเรียกว่าเทวปุตตมานจิตที่กลับกลอกถอยเหอะถอยเหอะถอยเหอะตัวจิตที่คิดจะถอยนะี่เรียกว่าเทวปุตตมานมารห้าตัวนี้นะพยายามจะไล่เราให้ถอยจิตออกมาจากนาทีที่จะแตกหักกัน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 พ่อแม่พี่น้องมันหนีหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะเทว ด, ดายินฟรมอะไรหนีหมดเลยเนี่ยมานึกนึกดูนะมันคล้ายคล้ายในพระใจพิดกนะที่ว่ามานผจนแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ตามลําพังไม่มีใครช่วยเลยเทว ด, ดาเขาหนีไปหมดท่านก็สู้ด้วยบารมี น, นั่นเองเอาบารมีมาเป็นที่ตั้งเมื่อบารมีแก่กต้ายอมสลากยอมเป็นยอมตายตายก็ตา ย, าตายนะไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้อะไรเลย ไม่ตายแล้วอยู่แบบบ้าๆไปเลยเขาช่างมันยังไงก็ได้เนี่ยหมดความรักในกายหมดความรักในใจอย่างแท้จริงพอหมดความรักในกายในใจอย่างแท้จริงมันสลัดทิ้งเลยนะมันปล่อยวางกายปล่อยวางใจทิ้งเลยกายนะั้นมันปล่อยไปก่อนแล้วแล้วมันจะปล่อยใจออกไปปล่อยจิตทิ้งพอปล่อยลงไปนี่มันเหมือนกับโลกรกะเทือนจริงใจกระเทือนใจเราหลุดออกจากเปลือบที่ห่อหุ้มอยู่ ใจหลุดออกจากอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อพุ่มอยู่เป็นอิสระขึ้นมานั้นกระจายตัวออกเต็มโลกธาตุเลยใจใหญ่ใจใหญ่ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีประมาณมีความสุขแทรกอยู่ทุกทุกอนูเลยเต็มโลกธาตุเลยเราสัมผัสทีแรกนี่นะน้ำตาร่วงเลยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอธรรมะอย่างนี้มีด้วยเหรอรู้สึกอย่างนี้นะมีด้วยเหรอธรรมะอันนี้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 ต้องค่อยๆฝึกนะึแต่เราเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันเข้มแข็งขึ้นทุกวันรวมกําลังเอาไว้ น, นั่นเองเอาไว้ใช้นาทีสุดท้ายที่จะข้ามพบข้ามชาตินั่นแหละตอนธรรมะเบื้องต้นนะง่ายนะไม่ถึงขั้นจะเป็นจะตายหรอกธรรมะเบื้องต้นดูดูดูไปเข้าใจปิ๊งขึมาแหมสบายอีกดูต่อไปเฉยๆเลย จะขํามภพําชาติคล้ายๆควรจะคลอดอ่ะ <c oughs> ควรจะคลอดนะแม่ถ้าไม่ตายเสียก่อนลูกคงออกมาได้ยนะั้นเวลาหลุดพ้นเนี่ยพระเจ้าจะใช้คําว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นจิตหลุดพ้นจากอาสวะอาสวะกิเลสเป็นเครื่องห่อพุ่มจิตไว้ย้อมจิตไว้เป็นเนื้อเดียวกับจิตเลยจิตย้อมตั้งแต่ข้างในสุดจนข้างนอกสุดนี้เป็นเปลือกพุ่มจิตไว้อยู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 ต้องไปสู้ตายกันถึงจุดนั้นมันจะรู้สึกเลยถอยหรือไม่ถอยดีถ้าถอยนะตกเป็นทาตของมานี้ต่อไปแต่ก็มีชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกแล้มีความรู้สึกเหมือนว่าถ้าถอยก็เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิะมีความสุขกว่าคนทั้งโลกแล้วถ้าสู้ต่อไปโอกาสรอดนี่ไม่เห็นเลยมันถึงจุดนี้นะถึงหลังชนกําแพงเลยไม่มีโอกาสรอดเลยมีแต่หนีหรือไม่ก็ตาย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 เหลือระดับพันแล้วนะที่จิตตื่นขึ้นมาได้ที่จะเข้าถึงมรรคถึงผลจริงๆมีเป็นระดับร้อยเท่านั้นเองันต้องสู้นะต้องสู้อวันนี้ได้แค่นี้เชิญโยมกลับบ้านไปเดี๋ยวขอคุยกับท่านรองสงครามลุงน้องหน่อยลุงน้องเปลี่ยนชื่อยังไม่เปลี่ยนนะพื่อตายน้องบุญนิม